ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคำภีทางพระพุทธศาสนาเรื่องชีวิตและกรรมมีความสลับซับซ้อนมากดังพนานามาคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้แม้ผู้ได้ยานระลึกชาติผนหลังได้หรือปุเพนิวาสานุสติยานและได้ยานรู้อนาคตหรืออนาคตังสยาน แต่ได้ระยะสั้นเพียงชาติสองชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วเกิดในนรกเขาไม่มียานที่ไกลกว่านั้นจึงไม่อาจเห็นกรรมและชีวิตตลอดสายได้ส่วนผู้มียานทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายทรงสามารถชี้ได้ว่าผลอย่างนี้อย่างนี้มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคาภีทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติ จะขอนำบางเรื่องมาประกอบการพิจารณาในที่นี้ 1. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อจักคุบาลท่านทำความเพียรเพื่อบรุมมรผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสาเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นผลของกรรมที่เมื่อชาติหนึ่งพระจักคุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนา เพราะคนป่วยทำทีบิดพลี้ยจะไม่ให้ค่ารักษาเรื่องนี้ปรากฏในอัธกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักคูบาล 2. ชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพทางฆ่าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงคลานสี่ขาร้องครวญครางเสียงเหมือนหมูทุกทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏในอัธกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนท่าสูกริต สามชายคนหนึ่งมีอาชีพทางฆ่าโคขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมาเอาไปเสียโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้พัญญาทำเป็นอาหารขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นลิ้นของเขาได้ขาดหล่นลงมาเขาคลานสี่ขาเหมือนโคร้รองครวนครางทุกข์ทรมานแสนสาหาัส และสิ้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาคเจ็ดเรื่องบุตรของนายโคคาด 4. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อติดสะเป็นแผลเปื่อยผู้พองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอนุนไปช่วยดูแลให้อาบน้ำอุน่นแสดงธรรมให้ฟังพระติดสะได้สำเร็จเป็นพระราหันพร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ที่เป็นแผลผู้พองนั้นพระชาติก่อนพระติดสะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันบินหนีเรื่องนี้ปรากฏในอัธกถาธรรมบทภาคสองเรื่องปูติคตะติดสะ 5. พระนางโรฮีนีพระคณิฐาของพระนุรุธทธะพระญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างแรง ทรงละอายจนไม่ปราถนาพบผู้ใดเมื่อพระอนุรุทธเถระมาถึงเมืองกบิลพัทพวกพระญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรฮินีพระอนุรุธทธะจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญโดยให้ขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉัน ท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชายให้ช่วยกันทำโรงฉันพระนางโรฮินีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำชายน้ำฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์เองถวายขาธนียาโพชนียาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวันโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกา่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรม ต้องเอาบุญมาช่วยรักษาลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรควันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรฮีนีแล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรฮีนีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพราราณสี มีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยคือการเอาผมเต่าร้างหรือหมามุ้ยโรยลงบนสรีระของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชานอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผมเต่าร้างไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นู้พองขึ้นมาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัส นี่คือบุพกรรมของพระนางโรฮินีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสียเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาคหเรื่องพระนางโรฮินี 6. ในอัตถกถาสารานิยธรรมสูตรภาคสาหน้าร1 0 1สถึงเล่าไว้ว่าในพุทธการมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งปันแกภิกษุอื่นเสมอเสมอด้วยอา น, นิสงส์นี้ท่านกลายเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องลาบอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบินบาทไม่ได้อาหารอะไรเลยแต่พอภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทาบุญใส่บาตรให้ท่านจนเต็มท่านได้นาอาหารเหล่านั้นมาแบ่งให้ภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึง่ง พระเจ้าเพนดินมีพระประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดมีผ้าเนื้อดีที่สุดสองผืนคือคงจะเป็นผ้านุ่งคือผ้าสบองผืนหนึ่งผ้าห่มคือจีวรผืนหนึ่งพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดีสองผืนนั้นจะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอมาตย์ได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปทูลกระสิบพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเอง ก็ทรงสังเกตผ้าที่วางซ้อนๆกันอยู่พอมาถึงลำดับพิสูุนหนุ่มรูปนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผืนทั้งอํามัดและพระราชาต่างมองหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทําพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาพิสูจหนุ่มรูปนั้นด้วยเข้าพระทัยว่าพระรูปนั้นเป็นพระราหารันมียานวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่า พระกุณเจ้าได้บรรลุโลกุตระธรรมตั้งแต่เมื่อไรพิสุนุ่มถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้าเนื้อดีจะต้องตกแก่ตนนั้นกเพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เป็นนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดอยู่เสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่เจาะจง สิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่านพระราชาทรงชื่นชมยินดีและทรงอนุโมทนา 7. ในคำพีอัปทานอันเป็นพระประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตของพระองค์พระไตรปิฎกเล่มส2ตั้งแต่หน้า471พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงอดีตกรรมของพระองค์อันเป็นเหตุบัรดาให้เกิดผลแก่พระองค์ในปัจจุบันมากเรื่องด้วยกัน ขอนำมากล่าวเพียงวางเรื่องดังนี้เจ็ดจุดหนึ่งชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อปูนาลิกล่าวใส่ความพระปจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุสร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทำให้พระองค์ต้อง ต, องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อเฉามากเรื่องหนึ่งในพุทธการ เจ2ชาติหนึ่งพระพุทธองค์ได้ใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัาพาภิภูสาวกนั้นชื่อนันทะด้วยผลกรรมนั้นพระองค์ ต, งต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกนางจินจำมานวิกาใส่ความว่าได้เสียกับนางในพระคันทกุดีจนนางมีคันเป็นเรื่องอื้อฉาที่สุดในพุทธการ เจ็ดจุดสามชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะอยากได้ทรัพย์เพียงผู้เดียวโดยผลักน้องชายลงซอกเขาเอาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกพระเทวทัตปองร้ายเอาศีลาทุ่มแต่เพราะกรรมนั้นเบาบางมากแล้วจึงไม่ถูกอย่างจังถูกเพียงสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วพระบาทเท่านั้น